เปิดหนังสือมนพิธีไปที่หน้าหนึ่งสองสองสวดซ้อมพระพิธรรมนะโมตัสสะปะคะวะโตอาลาหะาโตสาัมมาสัมพุทธาสานโมตัต สาพพะคะวะโตอัลหะโตสัมมาสัมพุทธาสนโมตัสัพพะคะวะโตอัลหะโตสัมมาสัมพุทธาส กุศลธรรมอกุศลมาอพยาการมากตรเมธามกุศลายสมิงสมัยเยกมาว่าจารังกุศลังจิตอุปนังหัวติสมนัด สาสหคตังยานาปยุตังรูปารามะนังสัทธารามะนังวาคันรามะนังวาระสารามะนังปุตตาภารามะนังวาธรรมรามะนังวาอย่างณ ปัาลปตัดสมิงสมัยเยโซหัวติอเวคเข็หวติเยวาปณตัดสมิงสมัยเยอันเยปิอติปติจะสมุปปันญาอรโรปิโนอิเมตามากุสลา ปัญจคันธ า, ารูปักคันเวทนาคันโทสันขันโทสังคาลาคันวิญญาณคันโทตัตต ะ, ะกะตะโมโลวมขันโทจิรูปังอติตาณกะตตะ จูปนังอาชาตังภัวารโอราลิกังวาสุขุมังอินางวาปนตังยังทุเรวาสันติเกลตาเทกาชังอาภิสันอิตาวาอาภิสังกิปิตาวะายัง จติรูปากันโทสังข่าโหอสังข่าโหขหยเตนะอสังขาตังอสังขาตนสังขาตัสังขาเตนะสังขาตังอสังขาเตนะอสังตังซ้ำไปโยควีไปโย สัมปโยเตนเวปโยตังเวปโยเตปโยตังอสังหิตังจะปัญญติโยขันธปัญญาติยตาณปัญญาติธาตุปัญญาติสัจปัญติอินทริยปัญญาติปุการาปัญ ติขตาวตาปุขาณังปุคลปันติสมมาวิมุตโตสัมมาญาวิมุตโตปัธมโมอกุปะธมปริหานาธัมโมปารินาธัมโมเจตนาภะโพอนุรา ภาพพวปุโฉชะโนกโคตรับภยุยปาระโตอาภยุยปาระโตภาคมโนอภาภาคมัมนิยโตอนิยโตปฏิปันเปเลติโตอาละหอาละหะยะปฏิปันโน โอเคโรอุพัาปติสัจิกัตตา -paramat na ti amanta โยจิกัตโท -paramatto tatos โอคโรอุพัาปฏิสัจิกัตลามาเทนาตินะเหวังวัตตาเปชานายิกัง ปุกะโรอุปปาปติสัจจิกัตถะ -paramatthena te navatthewatayo sādhipattho-paramatthato so ปุกกโรอุปปาปติสัตถะ -paramatthena ti-mitta เยเกจิกุสลาธรรมาสับเตกุสารมูลาเยวาปนาคุสารลาสับเเตกุสลาเยเกจิกุสลธรรมสับเปเตกุสารมูลเรนเอกามูลเยวาปนาคุสารมูล นาเอกมูลาสัพเพอุสลาเหตุปัจจัยโยอาลัมปนาปัตอาิตติปัติปัจจัยโยอนันตรปัตสมานันตระปัจจัยโยสังฆาตปัตอัญญมัญญปัจจัยโยนิสยาปัต อุปนิสัยปัตยโยปุเรชาตาปัตตปัตชาชาตาปัตยโยอาเสวนาปัตจโยกรรมปัตยโยวิปากาปัตอาหาราปัตจโยอินทริยาปัตจโยนาปัตยโยมัคคปัตยโยสัมปยุตตปัต วิปปโยตัปปจโยอัตถปปจโยนาติจโยวิขตปปจโยอวิขตปปจโยอณิจาวะตสังขาราอุปาทวยตมิโนุปปชิตตวานิโรชันติ สังโฆปสมสุโคนิจาวัตสังขลาวทวยธรรมิโนออปัิตะวานิโรจันติเตสังสโมสุโคอนิจาวัตสังวยธรรมิโน โอปัชิตาวานิโรจนติดสังโอปสมสุโคอาจิรังวัตยังกายโยปตวินอาทิเสสติชุตโตอเปตะวินญาณุนิรัตวะคริงคะรังอาจิรังวัตยังกาย ปัททาวิงอธิเสสติยุตโตอเปตวินญานนิรัตว่าคาลิงคารังอจิรังวัตยังกายปัททาวิงอธิเสสติยุตโตอภิตวินยานนิรัตว่าคาลิงคาลัง